กวดการศึกษาในสิ่งที่ยังไม่รู้แจ้งเห็นแจ้งความกวาเป็นจริงนำมาศึษาพระสูตรไร้ว่าสติปัฏฐานสูตรเป็นสูตรที่ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ตัสรู้เป็นพระอรหันต์ได้ประกาศพระธรรมจนเกิดเป็นหมู่สง์ วาศบวาชิกามีวัดวาอารามมีศาสนาะเป็นพุทธศาสนามาถึงพวกเรานี่เรียกว่าสูตรสติปัฏฐานสูตรนี้ไกลๆจนปฏิเสธไม่ได้สติปัฏฐานสูตรเป็นสูตรของชีวิตเราไม่ใช่สูตรนอกจากชีวิตเลย ชีวิตของเราก็มีกายมีใจนอกจากกายจากใจแล้วไม่พอมีอะไรเกิดอยู่ที่นี่มีผิดมีถูกมีสุขมีทุกข์มีอะไรอยู่ที่กายที่ใจนี่มากมายแปดเมืนสี่พันเรื่องเราจึงมาเรียนให้เู้แจ้งซะได้ว่าปฏิบัติธรรมกรรมฐาน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 ก็ไม่เป็นไม่ใช่รู้ถ้ามันเห็นเป็นสูตรที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ทุกคนมีกายมีใจเมื่อศึกษาเมือ่อผูกขัดก็ต้องมีสติไปในกายสิที่เราพูดกันทำกันอยู่มันก็เป็นสูตรไปเห็นกาย มันก็จะได้คำตอบจากกายกายเป็นตำราติเป็นนักศึกษาได้คำตอบสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับกายตอบได้หมดรู้แจง้งเกิดญาณเกิดปัญญาเพราะเรื่องกายสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับจิตใจ ก็าลู้แจ้งจึงเห็นเป็นคำพูดเป็นสูตรเป็นวิชาการว่ากายสักว่ากายเนี่ยไาใช่จัตบุคนตัวตนเราเขาเนี่เราก็ได้เรียนกันมาได้ลู้กันมาเอาความลู้ที่เราได้เรียนมาก็ทาจึงเรือกกรร ม, รรมฐานคือที่ตั้งภาวดาคือทำให้มากให้ลู้ให้มาก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 บางหนึ่งเอกชุรกายสันนลุกเดี๋ยฉานไปสู่พมวโลกไปสู่มนุษย์ไปสู่พมโลกไปสู่มรรคผลไวนโน่นเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะเบลตามสภาวะธรรมยังไม่เป็นมนุษย์ยังเป็นคนอยู่เ้ายังเป็นคนอยู่ต้องศึกษา ถ้าเป็นมนุษย์แล้วก็พอที่จะอ่านดอกเขียนได้เป็นคนคือมันปนเปนกันอาย่างมีความรักไปความชังมีจิตใจผู้ผู้แพร่พาดคมล่ายคุ้มดีหรือว่าเป็นคนบางที่เรามีกายก็เอากายไปทำชั่วเป็นโทษเพราะกายมีใจเข้าใจไปทำชั่วเป็นโทษเพราะจิตใจ อย่างพึ่งมันไม่ได้ค่่มไร้ค่่มดีผู้ผู้แพร่แพรมีกายกายมันใช่เรามีใจใจมันใช่เราเราไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งเลยนี่ว่าคนค่่มไร้คุ่มดีคินว่าฝันกลางวันว่าคิดนี่ว่าคน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 ภาษาเรียนตัว อ, อ, กอักษรเรียนวิชาการต่างๆมันก็พอที่จะอ่านออกเขียนได้ในศาสตร์ต่างๆที่เราได้เรียนมาตามสถาบันที่เรียนมาสถาบันชีวิตของเราคือเนี่ยคือกายคือใจเนี่ยเห็นแจ้งแต่รูปตรงนี้รูปภัยในวัวชีวิตเราเนี่ยคือกายคือใจเนี่ย เห็นรูปทำเห็นน้ำทำเห็นรูปทุกเห็นน้ำทุกเห็นรูปโลกเห็นน้ำโลกที่มันเกิดอยู่กับกายกับใจเนี่ยมันเป็นรูปเป็นน้ำเสียแล้วไม่ใช่เป็นต้นเป็นก้อนเป็นที่โยดลงมาเหมือนเราเลี้ยนจบศาสตร์ต่างๆมันย่อลงมาไว้ในชีวิตเราเราก็ใช้ได้ในศาสตร์นั้นแสดงได้ทําได้ เรเห็นรูปเห็นนามก็ใช้รูปใช้ น, นามรูปมันบอกนามมันบอกอันนี้คือรูปทำเคอนามทำเวลามันทำดีมันทำชั่วเราก็ไม่ให้มันทำชั่วให้มันทำดีอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกับเราใช้วิชาการเรียนรู้เอาใช้ได้รูปทุกนามทุก สิ่งใดที่เป็นทุกข์ตามธรรมชาติของรูปของนามก็ไม่ปนเปกับทุกข์ที่เป็นการปรุงแต่งหรือว่าทุกข์อริสัตยสภาวะทุกข์ทุกข์ตามธรรมชาติไม่รอดไม่หนาะไม่ปวดไม่เมื่อยหายใจจินเข้าขับถ่ายอ น, นี่เป็นสภาวะทุกข์ต้องหายใจเข้าหายใจออกทุกข์ที่เป็นนิสชนะทุกข์ อันทุกดวงนี้คือทุกขังอันนี้จังอนัตตาทุกที่เป็นทุกสมันลักษณะเนี่ยหรือ ว, ว่าทุกขังอันนี้จังอนัตตาเสมอกันหมดอันทุกที่เกิดจากสมุทัยนั้นไม่เหมือนกันอันทุกที่เกิดจากสมุทัยนั้นจนเห็นแจ้งละมันได้หรือว่าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเราจะมาเห็นตัวนี้ ท uh. uh. ุกนามทุกรูปโลกนามโลกโลกที่มันเกิดโกรธเกิดหลงเกิดเจ็บไข้เดืป่วยก็มีเกิดทางนามเกิดทางรูปเจ็บไข้เดืป่วยเกิดทางนามโกรธโลกหลงทุกพิจตกังวลรูปสมมุตินามสมมุติก็มีอยู่ในรูปในนามนี่ชื่อเสียงเหลียงนามที่เป็นรูปสมมุติ บางทีเราไปยืดเอาสมมตุติว่าเป็นตัวเป็นตนตออกชื่อออกเสียงพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบเพราะเราสมมุติชื่อเราไปพูดยกย่องส น, สนเสริญเราสมมุติชื่อเราไปพูดนินทาก้าวล้ายเนี่ยคําพูดก็เป็นสมมุติบัญญัติมาพูดกันว่าพูดผิดพูดถูกมีตัวบทกฎหมอยคุ้มครอง ผิดศีลผิดธรรมเพราะคำพูดติดคุกติดลางเสียเงินเสียทองเพราะคำพูดได้เพราะกายได้มีโทษมีภยัยสมมุติวันญัดวัตถุอาการเคยตามความเป็นจริงเห็นไปเนี่ยมันก็เป็นสูตรไปเมื่อเห็นอย่างนี้ก็กลายเป็นมนุษย์ขึ้นมารู้แจ้งสิ่งที่ไม่เข้าใจเข้าใจแล้ว ที่ยังไม่รู้รู้แล้วสิ่งที่ยังไม่ทําไม้แจ้งแจ้งขึ้นมาบ้างแล้วแสงแสงแสงเงินแสงทองขึ้นมาบ้างเห็นที่เห็นทางบ้างให้ลังเหลสงสยัยเมื่อเวลามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้เวลามันโกรธเปลี่ยนโกรธเป็นรู้เวลามันทุกข์เปลี่ยนทุกข์เป็นรู้ น, นี่เราก็ศึกษาไปอย่างนี้นะเรียกว่าปฏิบัติ คนอื่นสอนเราอย่าสุบูดีหรืว่าไม่อย่ากินเหล้าอย่าโกย่าบีบเปลีย น, นกันนะแต่เราาสอนตัวเองเราก็ต้องไม่สุบูดีเราก็ไม่ดื่มเหล้าเวลามันหลงเราต้องไม่หลงเวลามันโกยเราต้องไม่โกยคนอื่นสอนเราเมื่อเวลาเราสอนเราต้องไม่เลยทีเดียวเปลี่ยนไปเลย มันมีเวลามันหลงมีเราต้องไม่หลงรู้จึกตัวทำอย่างนี้ให้มันเป็นเวลามันหลงไม่หลงหลงไปตามอะไรไม่หลงรู้ตรงที่มันหลงเทียกว่าปฏิบัติธรรมที่เรานั่งอยู่มันหลงในท่านนั่งเป็นการปวดการเมื่อยมันคิดขึ้นมา ในสุขเป็นทุกข์พวกกันนั่งการเดินยืนนั่งงอนมันปวดเป็นมวยเอาอาการต่างๆมาเป็นตัวเป็นตน้นถ้ายัางไม่เห็นรูปเห็นนามเป็นตัวเป็นต้นหมดในกายก็มีตัวมีตน้นเกิดสุขเกิดทุกข์พวกกายในใจก็มีตัวมีตน้นเกิดสุขเกิดทุกข์พวกใจในเวทนาก็เป็ตัวเป็นต้นเกิดสุขเกิดทุกข์ในเวทนา ใครทำก็เป็นตัวเป็นตนเกิดพอใจไม่พอใจภาให้ทำชั่วได้พาให้ทำความดีในธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลทําให้หลงตรงนั้นได้เราจึงมารู้เราจึงเปลี่ยนมันรู้แล้วนะั่นแหละถ้าหลงก็สักว่าหลงไม่มีค่าถ้าทุกข์ก็สักว่าทุกข์ไม่มีค่าถ้าสุกก็สักว่าถูกไม่มีค่า ไห้มีค่าให้เป็นแต่ศักแต่ว่าเรียกว่าญยาดถ้าสงบเรียกว่าฌานสงบก็ทําให้หลงได้คงสร้านก็ทําให้หลงได้ถ้าเป็นฌานก็ชอบความสงบนั่งหลับอยู่เป็นวันก็ได้นะ ว, ว่าฌานถ้าญาดมันไม่หลงมันไม่หลับ มันจะรู้ฌานอยู่ในความหลงมันเกิดยานรู้แล้วกายสว่ากายเนี่ยเรียกว่ายานปัญญาขึ้นมาบ้างเรียกว่าเกษะเกษะแห่งปัญญากเกษะแห่งมรรคนิพพานน้อยไปอย่างนี้มันก็มีแน่นอนเวลามันหลงก็ไม่หลงก็มีแน่นอนอย่าไปจนเวลามันทุกข์ก็ไม่ทุกข์ก็มีแน่นอนอ อยไปทุกเวลาต้อโกรธก็ไม่โกรธก็ ม, กกมีแน่นอนจะไปหลงในความโกรธซึ่งใดบัลลงโกรธยานขึ้นมาลู่แจ้งอนนี้ชนกลายเป็นวิปัสนาญาณวิปัสนาวิคือวิเศษญาณคือนําไปสู่การลู่แจ้งเนีย่ว่าวิปัสนากรรมฐานคือการกระทําการกระทํารมคือเจริญสติ อย่างที่เราเดินจงกมลมสร้างจังหวะมีสตินั่นแหละการกระทําสิ่งใดไม่มีสติสิ่งนั้นไม่มีกรรมเป็นฟรีดีทําชั่วไม่ก็อยู่ตรงนั้นถ้ามีกรร ม, มาฐานมันจะไม่ฟรีมีดุสสติสัมปชัญญะกรร ม, มาฐานเคยมีสติสัมปชัญญะเป็นกรรมที่จําแนกไม่มีผลได้มีสติก็เป็นกรรมดี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 แล้วว่าเราศึกษาอันไม่มีเหตุมีปัจจัยมีเพียรมีผลมีหลักมีถานอยู่เ <hostel> ป <g üler> <ul> ็นสถาบันอยู่เรต้องศึกษาช่วยตัวเองแก้ไขตัวเองดูแลตัวเองเห็นมันทุกแง่ทุกมุมมันก็อยู่กับเราได้แล้วกายก็อยู่กับเราใจก็อยู่กับเราตัวทก็อยู่กับเราคงหลงก็อยู่กับเรา เราก็ช้อยเวลามันหลงก็รู้อย่างเนี้ยเรียกว่าทําให้มันเป็นเรียกว่าฝึกหัดไม่ใช่รู้ความรู้เนี่ยคนอื่นสอนเราแต่ความเป็นนี่เราสอนเราทำให้มันเป็นอย่างเนี้ยเรียกว่าหาบันก็ได้ยึงมาทํามันเป็นสาระไม่เป็นมันเปล่าสร้างความรู้ก็มีความรู้ได้ทันที ทันทีเป็นปัจจตัง ท, ท away, fail, ันทีในเรามันหลงกับรู้เป็นปัจจตังเปลี่ยนลายเป็นดีด้วยว่าภาวนาเปลี่ยนผิดเป็นถูกด้วยว่าภาวนาเปลี่ยนหลงเป็นรู้ด้วยว่าภาวนาเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ด้วยว่าภาวนาเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธด้วยว่าภาวนาให้เป็นนักภาวนาให้มันเต็มบ้านเต็มเมือง ทุกคนเป็นนักภาวนานักเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกภาวนาไม่ใช่กิดยามท่าทางแต่ว่าเราหัดนี่ก็หัดคิดแต่เขียนไปก่อนถ้ามันเป็นแล้วก็ไม่ต้องหัดมันรู้แล้วอย่างนี้ยเราจึงมาหัดตัวเองแท้ๆนี่แ่ละนี่ดูว่าพระสูตรสูตรนี้เป็นสูตรของชีวิตทุกชีวิตปฏิเสธไม่ได้ เรามีหลงมีรู้มีทุกมีรู้มีสุขมีรู้อะไรต่างๆอยู่มันตรงกันข้ามอยู่จนถึงก็มีเกิดมันก็มีไม่เกิดมีเจอก็มีไม่เจอมีเจ็บก็มีไม่เจ็บมีตายก็มีไม่ตายคือหมายไปทางถึงที่โน้นจบตรงโน้นก็เริ่มต้นจะผ่านตรงนี้ไปก่อนเหมือนเราเรียนเกรดดีมันก็ผ่านไป ชันส er ่งๆได้ตามการศึกษาใส่ใจของเราแต่ว่าการศึกษาวิชาออกไปข้างนอกต้องอาศัยหัวคิดปัญญาจึงเรียนได้แต่การศึกษาชีวิตของเราไม่ต้องอาศัยปัญญาหัวคิดอะไรเหตุผลอะไรการสัมผัสตรงๆเข้าไปเช่นความหลงเนี่ย ความรู้เนี่ยไม่ใช่หัวคิดเหตุผลการกระทำลงไปเลยเอาการกระทำลงไปไม่ใช่เหตุผลทำไมทำไมจึงหลงทำไมจึงไม่รู้ไม่ต้องมีตรงนั้นไม่ต้องหาคำตอบไม่ต้องมีคำถามทำลงไปเรามาหลงก็รู้หลงไปง่ายง่ายง่ายง่าย หลงเป็นลูกอยู่ด้วยกันมีที่ใดมีตัวหลงที่ลูกมีอยู่ที่นั่นนั่นมัยากอย่าไปทําไม่ถ้าทําไมอยู่มันก็เสียเวลาคนอื่นเขาทําได้เราทําไม่ได้ไปอีกทีแล้วยึดมั่นถือมั่นสามพันมั่นหมายคนดินเขาดีกว่าเราเราเร็วกว่าเขาเขาเล็วกว่าเราเราเร็วกว่าเขามันก็ไปเสียเวลาอยู่ อ oh, เป็นนักบวแล้วเป็นโยมเรามีกิเลสต้องยเรามีกิเลสมากไปอีกกันใหญ่เลยบางคนก็เอากิเลสมาทดลองผมกิเลสมันมากไปพอกพูนเหมือนดินพกอกหังหมูเข้าไปใส่โทษตัวเองบางทีถึงกับกล่าวตู่พุทธพจท์สมัยทุกวันนี้มรรคผลนิพพานไม่มีพระอรหันต์ไม่ ม, ไ ม, มีไปเสียแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิไปไม่มีศรัทธาในการทำ ทำดีทำชั่วดีง่ายไปทำดีที่ยากทำไม่ได้เลยทำดีมีเหมือนกันในโลกเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาชีวิตของคนมันเป็นอย่างนั้นเอามาลูกแจ้งแล้วนี่ให้เป็นมนุษย์สูงขึ้นมาให้มันสูงอะไรสูงสติมันสูงสติมันมากจิ่ใจมันสูงไม่ตอำต่เห็นอะไรไม่เป็นย่สูงแล้ว มั tables, jog, นหลงไม่สยบอยู่กับความหลงลูเจาความหลงขึ้นมาสูงของความหลงของลู่เนี่ยมันทุกสูงของความทุกข์ความรู้สึกตัวเนี่ยความทุกข์สึกตัวมันสูงขั้วท่ำไม่ได้ถ้าโกรธถ้าทุกข์ถ้หลงก็เปื้อนอมขืนตัวเองตามต้อยถ้าเราไม่หลงในเวลามันหลงมันสูงขึ้นมาผมจะยกมือไหวตัวเองนี่มันนุษย์แต่ว่าผู้ใจสูง เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงจิตใจมันสูงเหมือนหนังยูง ung, มีดีที่เบลขนอยู่มันบินได้เพราะปีกมันถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนเป็นคนมันก็ต่ำอะไรมาก็สุกสุกไปเลยทุกทุกไปเลยมันต่ำมันครกรงำได้เหมือนบ้านหลังต่ำหน้ามาก็ท่วมไปเลย ว่าอยู่ที่สูงหน้ามันไคยท่วมถึงจิตใจก็เราเนี่ยมันสูงไม่มีอะไรท่วมได้นี่มนุษย์พรมโลกก็มีแต่เมตตากุณาอยู่เป็นสุขเป็นสุขมีเหมือนกันตรงวโลกแต่ว่าพรมโลกที่เป็นสุขสักข์สวรรค์นเนี่ยไปถึงมรรคผลนิพพานไม่ได้ต้องกลับมาเป็นมนุษย์นี่อีกมีใจสูงนี่อีกอย่าไปหลง บันทีหลงในความโศกเป็นฌานหรือว่าไม่รู้จักกลางวันกลางคืนไม่รู้จั ก, กอะไรเลยอยู่ในฌานนี่ยนี่เหมือนกันบางทีก็อยู่เช่นนั้นต้องเป็นญาณบัญญาญาณจนถึงความเป็นพระบริสุทธิ์เพราะแปลว่าผู้บริสุทธิ์ไม่เปืเ้อนจิตใจบริสุทธิ์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 เหนือคอธิบายสภาวะธรรมจริงๆอธิบายความรู้เป็นไงอธิบายความหลงไปไงอธิบายความโกรธไปไงอธิบายความไม่โกรธเป็นไรมันต้องเห็นเสียก่อนไม่แต่เห็นความแจ็ความเจ็บความตายก็มไม่ต้องอธิบายถ้าเป็นสองมันลักษณะถ้าเป็นฤๅษีนี่ก็ง่ายๆถ้าเป็นฤๅษีโขหีด เพผลเพราะเหตุมันจึงมีผลถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลอะไรมันเกิดที่เหตุมัมีเช่นี้อริสัตยะเป็นทฤษฎีที่ยอดเยี่ยมถ้าเป็นทฤษฎีถ้าเป็นหลักก็เป็นหลักตายตัวเชื่อหลงเชื่อทุกข์นะไม่ใช่ทุกข์นี่เป็นเหตุตัวที่มันทุกข์เกิดทุกข์นี่เป็นเหตุ นี่ว่าตัวหลงนี่แหละสมุทัยคือสภาวะที่หลงเนี่ยเอาอย่างนี้เลยง่ายๆอย่างเนี้ยมันหลงนี่แหละคือตัวสมุทัยเมื่อมันหลงก็ไปไกลเกิดทุกข์เกิดทุก ข, ก, ขก็เลยได้สมุทัยต้องดับดําไงสงมุทัยเห็นเหตุมันคือสมุทัยก็ต้องเปลี่ยนความหลงไปความโลภหรือ่าละแล้วว่าละสมุทัย กันแล้วจะมาทำางมาเรีร ย, ยกว่ามัดมัดคืออะไรมักคือดูนี่แหละอีกอ่มายเฉพาะคือเดินสัมมาทิฏฐิสัมมากรรมันตสัมมาชีวสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมมาทิแดอย่างต้องไปเรียนเอามมาสติเป็นยังไงแล้วกายเยียรกายยีนอมปสีเมือละติที่สูงในทำเป็ในนี่มีสติเห็นกายในกายเป็นประจำ อาตาปีจำชานโอจติมาวิวิโรเจตอนความพอใจแหล่เราสวยกันอยู่อ๋อนั่นเป็นวิชาการแต่ปฏิบัติการมันมน้อยๆมักคือดูนี่เลยเอ้าก็ดูลราก็ต้องเห็นแน่นอนตอนเห็นล้วไม่เป็นเนี่ยเรียกว่ามันอยู่ในตัวแล้วเป็นมักเป็นผลแล้วนี่ลวดคือทำไหมทำให้แข้งแข้งจริงๆ นี่คือหลงนี่คือไม่หลงไม่มีคำถามไงแจ้งเช่นหลงไไปถามใครไหมไม่คชียน่อยโกรธไปถามใครไหมไม่ต้องฉันโกรธหรือยังเนี่ยฉันหลงหรือยังฉันทุกข์หรือยังเนี่ยจนให้คอื่นบอกใอ้รูปแบบของอบายภูมิเอาองจักผลหัวตัวเองยังยิ้มอยู่พอใจในความโกรธนะ วันเดือนบอกว่าใช่มันโกรธนะแล้วก็พอใจในความโกรธคงเห็นคงจกเป็นดอกกุว่าบอกมันก็ไม่รู้พวกกบายพระพรหมนะมันอาหารคนละอย่างกันถ้าใจโปรธพวกก บ, บายสันโลกนี่มันโนไปรธไม่ได้ตราบใดที่มันต้องขึ้นมาเป็นมนุษย์เฉยๆจึงโปรธมันได้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 โบราณท่านว่าการทำบนอุทิศให้ถึงคู่ตายหรืออย่างได้ไหมถ้าเราอธิบายตามความจริงถ้าคนที่ตายเขาเป็นภูมิอะไรถ้าเป็นจรโลกก็ยังไม่ถึงเขารอกจรโลกเขาสเสวยบากรรมของเขาเป็นทุกข์เป็นโทษก็เมื่อไรเขาเป็นปัจชัตุปะชีวี กำลังแสแหวงหาที่เกิดเป็นสิ้นกรรมมาแล้วสิ้นกรรมมาแล้วพ้นแล้วจะต่สแหวงหาที่เกิดดอบขนทานของญาติพี่น้องอุทิ่ไทยอันอย่างนี้ก็ได้เหมือนคนหิวคนหิวลบถ้าไม่มีข้าวยิ่งก็หิวอยู่เอาช่วยตัวเองไม่ได้เพราะกรรมของหรว่า คุ้มองเขาเราจะอธิบายให้เขาไม่ได้คนที่โกรธเนี่ยรับความโกรธด้วยความโกรธไม่ได้จึงเป็นหลักอย่างนี้ชีวิตของเราเห็นอย่างนี้ะเห็นมันทุกข์เนี่ยมันจะไปทุกข์ได้ไงเห็นมันโกรธจะไปโกรธได้ยงไงถ้าเป็นผู้เป็นเลมก็ไม่เหน็นก็ต้องโกรธอย่างนั้นก็จนตาย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 ต้องเป็นปัจจตังของเราเองนี่ว่าศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นพระประเสริฐตรงนี้ไม่ใช่พระในรูปแบบพระในพระตรตทายพระสงฆ์ในพระตรตรัยไอ้พระสงฆ์สมมุติตามพระทํามวนพระสงฆ์ในพระตรตทายคือว่ายังไงก็ดูสิ ปฏิบัติดีแล้วสุปฏิปันโนภกะกวโตสระภะกสังโสดสงสาวบของพระผู้มีพระภาคเจ้านานโมดายปฏิบัติดีแล้วหนึ่งปฏิบัติตรงแล้วสองมันหลงตรงไปเข้ากับความรู้มันตรงกันเข้าปฏิบัติออกจากทุกข์แล้วมันโกรธเปลี่ยนโกรธเป็นแม่โกรธ พ้แล้วจากความโกรธตามเป็นไหมหรือจะพอใจในความโกรธหรือจะเป็นหนอนนะจิน <g ill ain> ค, ความโก <g ill ain> รธนี่ปฏิบัติออกจากทุกข์ให้รูจ้จอกวางกายมันรู้อยู่ร้อน ม, มันเข้าล้มหนาวมันห่มผ้าเหงว่อมันจนแต่ว่าใจนี้ไม่รู้เลยสุกสนหลงก็เอาโอออกรกก็บางทีพอใจพอใจในความโกรธ ถ้ากูได้โกรธตายกูก็ไม่ลืมเนเรียกว่าเปลี่ยนไหมปฏิบัติออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรเป็นสถาบันไม่ผูไม่แพรไม่ผูไม่แพร่สมควรแล้วมาตรฐานเป็นสถาบันนับยังไงสมโพนี้นับเพียงโบลูดสี่คู่สี่คู่คือใคร นับเพียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษคือคอยสี่คู่คือพระโสดาบันสัจจิค า, า, าคามีวะนาคารมีวะอรหันสี่คู่โสดาปฏิมักโสดาปฏิผลหนี่คู่หนึ่งสัจจิธาคารามักสัจจิคาคามีผลคู่หนึ่งอาณาคามามักอาณาคารมีผลคู่หนึ่งอรหันหต์มักอรหันต์แต่ผลคู่หนึ่ง อันนี้เป็นภาษาวัดวัดเท่หน่อยอาจจะไม่คุ้นโสดาปฏิมาคือไข่กําลังละสังโยชน์สามได้โสดาบันสังโยชน์สามคยลายสักกายาทิฏฐิพอศึกษาเข้าไปเจอตัวนี้เลยใช่ไหมเห็นกายสักกายาทิฏฐิมีกายไหมตั่งอยู่เนี่มีไหมมีสุขมีทุกข์ว่ากายไหมสาคัญเป็นยังไงกาย ร่อนเป็นกูหนอเป็นกูทุกเป็นกูหรือถ้าเห็นรูปทมนามธรรมมันจะไม่เป็นกูเห็นกายจักากายจักรยทิทิไม่เอากายมาเป็นตัวเป็นตนเป็นกูเป็นจักรวาจักรยทธิทิเนี่ยไม่เอากายมาเป็นตัวเป็นตนกายได้กาย กายในกายคือความสุขที่มันมีสุขพรากายมีทุกข์พรากายจนกายในกายนั้นเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่เลยกายร่นร่วนก็เป็นธาตุสี่ขันธ์หน้าธรรมราแห่กายในกายที่มันเกิดไปบ่อยๆอันกายที่มันมหาพูดแต่รูปมันเกิดทีเดียวน่ะอันกายในกายสำคัญกว่าจนสุขเป็นทุกข์เพากายนั่นแหะเรียกว่าสกขาญาทิติละได้วิกิจีธา ละได้ไม่สงสัยแล้วมันหลงมีแต่รู้เท่านั้นทำไมจึงหลงทำไมจึงหลงไม่มีคำ ว, ว่าทำไมเปลี่ยนหลงเป็นรู้เลยหรือว่าไม่สงสัยแล้วมีทางอย่างนี้ทีรัตตาปรมารถือขวมพดจักสิทธิ์เอาจริงเอาจังกับพิธีรีตรงไม่มีแล้วเอาการกระทำจากตัวปฏิบัติมันหลงก็รู้ทันทีมันทุกข์ก็รู้ทันที สีปตะประมาตถ์ไปทำพิธีเจือเคราะสะดอดโชคศินละพุไปเอาจิ้งแบบพิธีลีตองไปออกจากอาบัตก็ต้องไปปงอาบัตต้องไปปงอาบัตอาบัติจางเบาห้าอย่างต้องแสดงต่อหน้าสงต่อหน้าพิกจูรูปได้ท่วมหนังเจงพ้นได้อาบัตจังอาเจตต้องอยู่ปริวัตกรรมเจงพลได้ อาบรรณัตต้องขาดจากความเป็นสุนี่ทําไว้ไหนไอ้สงผลตะตายนี้มันไม่ใช่อันนี้มันเป็นตัวที่คนไปเนี่ยใครก็พ่นได้นุ่งผ้าสีใดหม่มผ้าสีใดชาติใดภาษาใดเป็นผ้าได้เป็นสงได้ที่สงผลตะต า, ตายถ้าสงทําทําไว้ไหนนี้ต้องเป็นอย่างนี้อามัดคืออะไรอาบัดคือมันขวงเอาไว้ มันเปิดเพื่อนไว้เอาบัตรชั่วย่ามันขวงเอาไว้ไปทางขวงไว้เวลามันจะรูที่ใดความหลงมาขวงไว้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้หรือว่าพ้นหนาบัตรแล้วเปลี่ยนความกดเป็นความรู้หรือว่าพ้นหนาบัตรปาราชิกคือมันปาราชัยมีตยยแต่ไพ่แพ้ไพ่แพ้่ออารมเวลาใดความกดขึ้นโยม ท, ท, ท, ทํามทวงโจทย์เพื่อปาราชิกนะ พวกพวกนี้ไม่มีการเปลี่ยนล่ายเป็นดีหรือ ว, ว่าไม่ถึงมรรคผลในพ่านเลยด้านไปเลยหรือ ว, ว่าขาดจากความเป็นพระถ้าเวลามันโกรธให้ความโกรธเป็นใหญ่เวลามันทุกข์ให้ความทุกข์เป็นใหญ่ไม่รู้จะเปลี่ยนยออกจากอามัดชั่ว ย, ย่าไม่เป็นเป็นป่าไรไชไม่ถึงมรรคถึงผลเลยเป็นบาปตลอดพบตลอดชอบเราจะต้องเป็นมนุษย์มาเปลี่ยนล่ายเป็นดีปฏิบัติธรรมเนี่ย มันเปลี่ยนได้อย่างนี้นีน่บนมันรู้แจ้งมันพ้นจากบาปบาปคือไม่รู้นะ